โอกาสนี้ไป 3 มกราคม 2547 ที่หมู่บ้านราชธานี มันไม่จะเหยาะๆอะไรนิดอะไรก็ไม่เอาแล้วอะไรนิดผมก็ไปเอาเนี่ย ละละๆถ้าเถอะบางอย่างงานพวก เป็นคุณธรรมๆนะพอเราเข้าใจถูกนี้แล้วทุกเออ มันผิดใช่มั้ยถ้าพอว่าเราพอใจยินดีโอ้โหเดี๋ยวแรงนะพอทํา อย่างนี้ก็เราได้ฝึกฝนเรียนรู้โรงเรียนสมาสิกขาของเรา กระทบเนี่ยที่นี่สอนทั้งมากกว่าข้างนอกเค้าถึงอีกอย 2, 2> อย่าง นะเราจะได้คุณธรรมเราจะเป็นงานอ่าแล้วเรา สอนวิชาการอย่าง 25% ส่วน 35 ถึง 40% 25% จบปริญญามากันหลายคนแล้วเออจบปริญญาเหมือน 6 ปียังไม่มีใครจบปริญญาบัตรหรอกไม่ให้ยังไม่ เพราะเราอ่ามี ไตรสิกขาสออยู่เนี่ยไตรสิกขาให้มีศีลให้จิตมันก้าวหน้า <c oughs> ไม่รู้เรื่องความจนดีกว่าความรวยหรือความ แน่ใจแล้วว่าจะมาจนเหมือนใช่อ่าจบ มาจากโรงเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนแคมบริดจ์ดีๆคนไอ้ เขาไม่อยากเขามีแนวคิดของเขาด้วยไปอยู่ด้วยออกไปเรียนโรงเรียนลอนดอนจบเขา โอ้เขาบอกว่าต้องให้มาให้เค้าทําไมเค้าจะต้องหาเองเค้าอะไรมันดีตรงไหน เออได้เปรียบเข้ามาเยอะๆโอ้อ่าได้เปรียบมา oh, right 500 ดีใจหน่อยนึงขนาด 500 พอดีไปเอา ทำเลวอืมเนี่ยตั้งหลักให้ดีๆนะแกตั้งหลักให้ดีๆอาตมาๆนะตอบ เออคิดดูซิคนเราจริงจริงจริงแท้ๆจริงจริงๆเลยเรามันไม่ผิดมาเข้าอีกอ่า <c oughs> มันแย้งไม่ได้อ่ามันแย้งไม่ได้คนไปอัปเกรดก็มามันดีเนี่ยอย่างนี้ๆตาม ไม่พูดปดไม่อย่างนี้เป็นตนเมารู้จริงๆ ไม่เอาของที่ไม่ใช่ของของเราเอาของที่ไม่ใช่ของของเราเออเป็นฐานะให้อ่ะไม่ใช่สิทธิ์กิ๊กของเราล่ะ มันเออแต่มันน่าจะเลย ซอเสียในพูดในทะเลาะกันพูดเอาคนรู้อย่างนี้คนนี้อย่าง เนี่ยเรียนรู้ทั้งๆ มาเป็นจิตที่เข้าใจทิศอ่าเป็นคนเอาศีลมาจับก็ พิธีกาลมีภาคปฏิบัติได้กระทําจริงกันอย่าง เราเรียนรู้ไปจากสมาคมค่ะเราจะได้อบรมเดี๋ยวนี้แล้ว เราเองเราจะมีคุณค่าที่เป็นคนที่ๆ เมื่อมันเป็นความไม่ดีความไม่เข้าท่ามันเป็นๆโอ้ไปได้เปรียบมาตั้งล้านนี่ 2 ตายไม่ผิดทางนะเอาล่ะพวกเราได้ช่วยกันๆแล้วก็ อุตยัมไอ้พวกเราละเอียดละออขึ้นเพราะยืนยัน แต่เราก็ได้พัฒนาขึ้นมาดีก็ได้พัฒนาขึ้นมาดีถ้าไอ้สิ่งที่จะได้เนี่ยมันไม่ดี มันเป็นเรื่องดีเราเรียกว่าโชคเรื่องดีน่ะเราเรียกนั้นเออ อ่ามันได้สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่สนไปหมดเลยเออเนี่ยอะไรถ้า แต่มันก็จะได้ดีก็ไปเรียกว่าเคราะเออดูว่ามันจะไปได้อ่าฟัง นะนี่ผิดเต็มมากอยู่สอนเป็นพอพอเนี่ยแล้ว ขนอาหารอาหารฮะอ๋อทีมไปอ่า งาน ยสส. เป็นการรวมที่รวมครบที่สุดก็คืองานปีใหม่ว่างานสําหรับการรวมเยาวชน แต่ว่าเราจะอยู่บ้านนี้บ้านใต้อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเออ <c oughs> <c oughs> มีสีเท่าแบบสีเทาแบบพอดีอาตมางง <c oughs> แถบกลาง 1 <c oughs> กลางริ้มเออต่างและแถบกลางนอกนั้นก็สีประจําของแต่ละ ไต่อ่ะไต่ได้หมดหรือไม่ได้มาปีนี้ไม่ได้มาเหรอเจ้า<า> ห๊ะจํานาบขายไปเลยเหรอปรับใหม่โอ้น่ะ สีเถาก็ยังทําให้ไม่ถูกก็ไปทําเอา หม่องอ่าอันนั้นก็ไม่ตรงกันและเพราะว่ามันอ่าแดงอ่าน้ําเงินชมพูอะไรไปสลับกันไปอ่า 2 สีก็ ระบุชื่อชื่ออะไรเนี่ยเรียกเป็นภาษาอะไรก็ ยังอาตมาแต่ก่อนนี้อยู่โรงเรียนเบญจมะนี่ของเค้า ใช้สตางค์สร้างเขาตัดหมวกหนีบสีเขียวแดงตัด อาตมามีตะเรยตะเมเป็มจารย์ก็อ่าแต่ก่อนอ่าเบญจมมหาราชอาตมาเป็นลูกศิษย์ เอ่อกรมทัพชมพูชมพูกรมทัพโรงเรียนนารีอะไรอย่างเงี้ยก็โรงเรียนอื่นๆเหมือน แต่มันยังไม่นอกทีอ่าก็เป็นท่าได้มันก็ยังไม่รู้ว่าจะ การกําหนดมันก็จะได้สื่อกันรู้เรื่องอ่า ไม่งั้นเราก็ชีวิตพวกเราหกปีอย่างน้อยมาอยู่ที่นี่ทุกข์ถ้าเราเรียนเร 6 ปีไม 6 ปี คงชีวิตจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็น ไม่เข้าเรื่องๆนานาไม่ได้เป็นคนวิทยาศาสตร์ด่านอะไร ปุริสตาคนควหาสอบทานมาไม่รู้กี่ เป็นความสมบูรณ์ที่สุดที่ถึง 40% มวยจะเป็นพวกที่โง่งมงายเป็น คนมีความสามารถมากขึ้นเก่งขึ้นได้ชุดด้วยขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเก่งขึ้นได้สงบสงบ มันของเราเนี่ย เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่จะนำพา ทรงภาคภูมิให้ได้เลยว่าเรา เอาของของเรามันประหลาดไหมสละคนได้อื่นไม่รู้คนจนที่เออนะฮะ ให้ได้ให้คนอื่นเออแปลกดีใช่มั้ยมีคนจนมีแต่คิด ที่โกงเค้าๆดูด แต่คนที่อาตมาพาให้เป็นเนี่ยเออแต่เรียกเขาว่าจนเรียกเค้าจริงๆ ให้อย่างมีปัญญาแล้วเออคนนี้ควรให้ให้ นี่เป็นเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องประหลาดประหลาดเป็นเรื่องที่ดูเหมือนขัดแย้ง ผู้เล่าฟังฟังแล้วพิฤทธิ์เนาะเมาไว้นั่งๆอ้าวอ้าว ขณะคนตั้งนะนึกว่าๆรับฟังเอาก็ดูเรื่องเหรอๆง่ายๆลึกซึ้ง เธอได้มาช่วยกันลงแรงใช้เวลามา ใครขี้เกียจมาฉลาดรวยเลี้ยงอ่ารวยไปรวยมาอ่ามวยก็จะทําให้ เราสร้างนิสัยแบบนั้นเราก็จะเป็นคนแบบนั้นหัดไปเถอะ มันมีอยู่ 10 ชิ้นแล้วไปจับหน่อยจะชิ้นเดียวคน แล้วเราก็ไม่ขยันมันจะมันฉลาดไม่ขยันก็เคยไม่ แม้แต่ทำมันเรียกว่าเป็นงานต่ําอ่าเช่นปัดกวาดถูตักช่วม ถ้าเข้าใจเพราะกว่า คนที่ไปตีราคาแรงงานที่ไปตีราคาแรงงานน้อยกว่าความรู้รื้อตี ได้ราคาต่ำราคาแม้ไม่รู้มากคนที่ทําเป็นแม้ไม่รู้มาก คนได้ฟังเทตาย คนอย่างนี้ๆแต่ทําไม่ได้เลยแต่คนทําเป็นแม้ โลกๆนานาพยายามเรียนแต่รู้ๆๆๆแล้วเอาแต่ความรู้ที่ไป ทำไมราคาฉลาดนี่เป็นความเอาเปรียบของคน เพราะเราจึงกล้ามาเป็นคนที่เช่น คนต้องกินข้าวเราก็ปลูกข้าวเป็นเกี่ยวเป็นอะไรงี้ ของมันใหม่ใหม่มันอาจจะแพงใหม่ๆมันอาจจะแพงหรือเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มีประโยชน์ที่ วิทยาศาสตร์มันพาให้เรามักง่ายพาให้เราทําอะไร พออ้อนป้อนปั๊บกดปุ่มไม่ชอบมาใส่ปากแต่ ถ้าคนเรามีโอ้แย่โง่ไปเรื่อยๆนะมันอ่าเบาๆ คนที่ได้ออกแรงที่ได้ออกคนนั่นจะเจริญคนที่ได้ฝึกฝนคนที่เราคน โลภเนี่ยส่วนใหญ่หลอกให้พาให้ต่ําอ่าแนะนําๆดีอะไร กลับดีอย่างนี้รู้เห็นอสัจจะธรรมสิ่งที่ไม่จริงไม่ดีจริงเป็นสัจจะธรรมเป็นสิ่ง มันดอกบัวเป็นกงจักรมันกลับโอ้ความจนดีกว่าความรวยเรามาขยันเสีย ถ้าเขาเอาเปรียบได้เนี่ยดีกว่าเราไปเอาเปรียบๆๆ คนที่เราจะเสียสละให้ถ้าเป็นคนที่ควรที่เออเขาควรได้เขาควรเป็นคนนี้ไม่ควรหรอกคู้มัน เราก็ต้องขยใสคือเรานะเอาละพูดไปพูดมานี่มัน 4:30 น. น, นกว่าแล้วนะเนี่ยก่อนจะจบก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงสําหรับจงสุขตามที่เราแนะสอนกันรุ่นพี่รุ่นโตเป็นคุรุเป็นอาเป็นอะไรไล่ไปแล้วจะสืบท่อชั่วระยะคนทุกช่วงระยะของคนเกิดมาแล้วก็ผู้ก็นําไปเด็กก็ต่างขึ้นไปๆ เราจะๆอ่าพยายามฝึกคนเรียนรู้ตาม แข็งแรงต้อนๆอย่าไปประมาทว่าเรายังนั้น ได้เทศน์ไปได้บรรยายอะไรไปก็ฟังดู แต่ถ้าเราไปรับวิบากและให้ช่วยให้ คนที่ช่วยก็เป็นบุญกุศลคนคนคนคน 4 5 คน ดูแล้วหน้าสงสารแล้วไปนี่ไม่ใช่ชังนะเรื่องสัจจะข้าอาตมา กูพูดจ๋าไปสามากสิเออจงเป็นดีทําให้ ทางโลกุตระท่านก็บอกมีเป็นต้นนะเพราะงั้นๆนานายิ่ง มันเอาเปรียบตรงนั้นคายเกินทุนมันก็บาดแล้ว เอ่อที่ลงที่ดินนี่จองกันเป็นหมื่นไร่กันนี่ คุณช่วงนั่นน่ะซับบ่ามมันจะเอา <c oughs> ต้องจะจะไปเกิดกันใหม่แล้วก็ทํากันใหม่ทําๆ สิ่งใดฟังรู้เรื่องไปเร่งรัดพัฒนาตนเองอย่า PRAPUTTA OOM THANI SOM TRASTRU PRAPUTTA OOM ผู้ประกาศโทษธรรม ถึงความที่